มีวิชาศีลธรรมต้องเรียนอริยสัจ ส, สี่นะทุกคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์สมุทัยคือตัณหามีสมอย่างนยนิโรธคือตายคือนิพพานนิพพานแปลว่าตายกรนะทรวงศึกษาสอนแต่ก่อนเนี่ย <c oughs> ตอนเด็กๆนะเออเราจะต้องดับทุกข์นะดับตัณหาแต่ไม่เอานิพพานนะไม่เห็นดีเลยนิพพานแปลว่าตายก็เข้าใจว่าเข้าใจศาสนาแล้วนะเพรสอบได้